ท่านสาธุชนพุทธบริสัตทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็อยากขอนํามหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่ว่าด้วยจิตคือจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานมาแนะนํากับ เนิ่อก่อนที่จะแนะนํากันก็ขออาราธนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง จะขอนําพระบาลีตนมากล่าวไว้สัก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อ 1 จิตมีราคะก็รู้ มีหรือไม่มีให้มีอารมณ์รู้ถ้ามีก็ 9 ถ้า จึงกล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตมีโทสะ จิตไม่มีโมหะครูชัดว่าจิตไม่มีโมหะคำว่าจิตโมมีโมหะคืออารมณ์หลงหลงว่านั่นเป็นเรานี่ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ อนัตตาในสุดมันก็สลายตัวหาความจริงในข้อนี้ให้พบนี่กล่าว ถ้าจิตโทโถจริงๆก็ใช่อานาปานุสติเข้ามาค้ำจุนไว้ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ใช้อานาปานุสติเหมือนกันแล้วก็ เป็นอัปปมัญญาเป็นพรหมวิหารอัปปัญญาพรหมวิหารจิตมรคตก็หมายความว่าจิตทรงฌานมีรมแนบแนบนิ่งสนิทอยู่ในความดีทรงอยู่ในฌานก็ดีทรงอยู่ในวิหารจริงๆแล้วก็ <c oughs> อย่าให้ฌานหรือปรมิหาร 4 ที่มันทรงอยู่แล้วมันคือจิตไม่มีฌานไม่มี และการภาวนา 40 แต่ว่านี่เราว่ากันได้ 4 ก็พยายาม 4 มัน จิตที่เมรุมค้างกับพระวิหันติดีด้วยช่วงถ้าเห็นว่า คำว่า อสงתר ไม่ถึงอุปจารสมาธิก็หมายว่าจิตเป็นขณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยทรงอารมณ์ความ หมายความว่าจิตเป็นแต่เพียงว่าเป็น <c oughs> ไม่มีจิตเยื้องกว่าหมายถึงว่าอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตรจิตเป็น บางครั้งน้ําตาไหลบางครั้งสมาธิบางครั้งสั่นเหมือนก็ปุกพระบาง <c oughs> ท่านบอกว่าเป็นกามวจรจิตก็หมายความจิตประเภทนี้ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในกามวจรสวรรค์ยังไม่ถึงพรหมโลกก็ยังเป็นความดีจึง ที่ที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดจิตทรงอารมณ์ ถ้ารู้อยู่ไม่ตั้งมั่นจริงๆก็จับอานาปานุสติกรรมฐานเข้าไว้ก่อนเป็นการส่งตัวนี่เป็นอันว่าทิ้งอานาปานุสติกันไม่ได้หรือว่าจิตวิมุตติมีมุตแปลว่าหลุดพ้นพ้นได้ หรือว่าหลุดพ้นด้วยอํานาจของวิปัสสนาญาณถ้าหลุดพ้นด้วยอํานาจของฌานสมาบัติมันก็ <c oughs> ใครว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธแต่พอเลิกแล้วมาทีมันก็โกรธอย่างนี้เรียกว่าตัดทางวิมุตติมันหลุดพ้นด้วยอํานาจของฌานถ้าหักว่าหลุดพ้นด้วยอํานาจของวิปัสสนาญาณมันหลุดไปเลยอย่างตัดสังโยชน์ 3 ได้แล้วมันก็ 5 ได้แล้วมันก็ไม่กําเริบอีกตัดสังโยชน์ <ele> 10 ได้แล้วอะไรๆมันมาก็ไม่กําเริบมันตัดขาดไป เห็นเกิดได้ว่าหรือว่าจิตยังไม่มียังไม่วิมุตติก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีมุตหมายความว่าจิตไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็รู้อยู่คําที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้ากําลังฌานสมาบัติไม่มี เออถ้าว่ายังไงท่านกล่าวต่อไป ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอก คืออารมณ์ปลดอารมณ์ละได้แก่อารมณ์ฌานเป็นอย่างเลวอารมณ์วิปัสสนาญาณเป็นอย่างสูงและย่อม ด้วยกําลัง 32 ทาด 4 นวสี 9 แต่ว่ามันเสื่อมไป ให้รู้ว่าอารมณ์จิตของเราเวลา ที่เข้ามันเป็นโลกีวิสัยโลกีกิยะอารมณ์คืออารมณ์เนื่องๆในโลกมันมาแล้วก็ปล่อยมันไป พอเดี๋ยวการสลายมันก็ปรากฏของทุกอย่างมันไม่ทรงอยู่กับเราเราก็ไม่มันกับเราก็ต้องจาก ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกโดยแหมท่านบอกน่ารักดูเนื่องๆอยู่อย่างนี้แลนี่เป็นพระพุทธพจน์ผม เมื่อๆอารมณ์ที่เราจะพึงตัดจริงๆก็แก่อารมณ์ที่ <c oughs> หรือว่ามหาปฏิปทานสวดคือสติใหญ่มหาสตินี่ ท่านสอนในตอนต้นเรื่องจิตตานุปัสสนานี่ก็ยังครอบทั้งสมถะและวิปัสสนาครอบ ถ้าท่านไม่วางอารมณ์กันเลยที่ท่านปฏิบัติกันน่ะครับ ว่าๆเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านไม่เลววางท่านไม่ละท่านก็อารมณ์ของท่าน แต่ก็ขอเตือนกันไว้ว่าจงอย่าวางกําลังใจจงเอากําลังจิตเนี่ยเอาสติเข้าไปคุมไว้คุมกําลังใจว่าอย่าให้ราคะมันเกิดขึ้นในจิตถ้าราคะเกิดขึ้น เอกวะนังคิดว่าไอ้คนที่เขาต้องฆ่ากันตายแล้วต้องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทๆก็ตามที่ รูปรักรูปสวยรักเสียงเพราะพันธุ์รักทดอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศสวยรักเสียง นางงามโลกนางงามจักรวาลนางงามประจําประเทศนางงามประจําเขตงามกี่วันเนื้อ เรื่องสังฆังกับตายประเดี๋ยวเดียวมันก็ร่วงมันก็โรย เกิดมามันจะสวยมันจะงามมันจะดีมันก็เก 32 คือปฏิโกฬบัพ เอาธาตุ 4 อนวะสีเอ 9 มาใกล้คนพิจารณาว่าสภาวะธีรรรคคือ ร่างกายของคนจริงๆตรงไหนมันหอมบ้างไหนแล้วตรงไหนมันสอาดบ้างหอมบ้างมีมั้ยแล้วตรงไหนมัน อาการทุกอย่างคือปฏิโกฬสัญญาก็ดีตามที่กล่าวมา ความจริงของจริงจะมีอะไรบ้างโมหะจะมีขึ้นได้ก็ รู้ว่าเป็นของเก่าที่คนอื่นก็เคยครองมาแล้วพื้นแผ่นดิน ผมก็ต้องขอกราบสักหลายแสนครั้งทําไมจึง แต่ว่าท่านเกิดที่หลังเราท่านเป็นพ่อเราแม่เราไม่ได้ อาศัยผู้โทษญาติญาติโทษตาโทษยายโทษท่านโทษแต่หลายเกิดขึ้นได้เพราะ ที่เป็นตัวเตือนของเรานี่ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมันหลงเมาได้แล้วเรา เราเมื่อเราแก่เราตายเราทรัพย์สมบัติเราเราจะถ้าแบกไปเมืองผีกันได้ท่านคงแบกไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเรานี่เป็นอันว่าทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดที่ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็ทําความรู้สึกแต่เพียงว่าสักแต่ว่าหิน ตัวนี้เป็นตัวตัดตัวเขาไม่ยึดถืออะไร ท่านฟังคําเยอะท่านที่บวชเก่าท่านที่อยู่เก่าฟังกันมาผม ว่าผมเองก็ยังเป็นพระกังหัน เราจะไม่ยึดถือมันทั้งกายเราทั้งกายคนอื่นทั้งโลภอื่นทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระ ที่